ตั้นประโยคนาว่าจรทั้งหลายสมหรับในตอนนี้ก็เป็นการจบอุทมบริการสดแล้วหวังว่าบรรดาเพื่อนพิสุทธสมณเณรทั้งหลายและญาติโยมพทุทธบริษัทคงจะประพฤติปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าในอุทมบริการสดครบถ้วน ทั้งนี้ก็ก็ว่าหลักสูตรที่มีความสำคัญก็คือในอุทมบริการสูตรการปฏิบัติเข้าถึงมรรคเข้าถึงผลต้องปฏิบัติตามนั้นสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระสง์ทันบรมศาสตร์สันด า, ส, าสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตัดว่าอันนี้ไม่ควรสิ่งนี้เป็นอุปกิเลส ขอบันดาญาติโยมพุทธบริษัทบันดาพิสุทสม์สมณ์ทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเพราะว่าถ้ามีการฝ่าฝืนก็หมายความว่าเราคัดค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> คุยกันนานเกินไปลืมไปบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามกันยายนสองพันห้ารอยี่สิบหก บางทีท่านจะได้ยินเสียงกระดัม MI ทั้งท้งที่แอาปากไปไกลมือกุคลและก็าตามได้ตรวจทราบว่าความป่วยไข้ไม่สมบายยังทรงอยู่และอาการก็ยังมีอยู่มากแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าเจ้า แล้วก็เพื่อความดีขอามรรดาเพื่อนพิสูจน์สมณะใ น, นทันหลายผมพร้อมจะทำแต่ก็ทำตามความสามารถแต่การพระธรรมคำ ส, สอนนี่เอามาจากองค์สมเด็จพระบระมโลกพนา์ขอเตือนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าความดีขั้นสเก็ตที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก็ดี ความดีขั้นเปลือกก็ดีทั้งสองรายการนี้ถ้ารวมกันเข้าแล้วเป็นกำลังใจที่ทรงชานโลกีได้เป็นอย่างดียิ่งเะนั้นขบนันดาพิสุสัมณีนักญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงให้ทรงอารมณ์นั้นไปเป็นปกติ สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าไม่ควรจะควรละต้องละทันทีจะปฏิบัติสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระสง์เสวัติีโสภากทรงตัดว่าดีทําสิ่งนั้นแล้วก็ทรงอารมณ์เล็อย่างนั้นไม่เป็นปกติ <c oughs> กำลังใจขมันดาท่านพุทธบริษัทจะทรงชานโลกีได้ครบกท่วน ใ น, นก็หมายความวิญญาณต่างๆที่ท่านได้ไปแล้วในการฝึกมโนยิทธิจะมีผลสมบูรณ์แบบนั่นก็คือจะใช้เมื่อไรก็ได้สภาพความแจ่มใสเอเบรากฏมาวันนี้ก็มาพูดขึ้ น, นการปฏิบัติโดยตรงตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ จ, จ้าทรงตรัส แต่ว่าทุกท่านจงอย่าลืมบารมีสิบารมีสิบวันนี้จะขอพูดแต่ชื่อคือหนึ่งทานบารมีสองสินบารมีสามเนคขมะบารมีสี่ปัญญาบารมีห้าวิทยาบารมีหกขันติบารมีเจ็ดสัจจะบารมี 8. ปดอธิฐานบารมีเก้าเมตตาบารมีสิบอุเบกขาบารมีคำว่าบารมีนี่ท่านแปลว่าเต็มเต่ว่าในตอนหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงส่งตัดว่าต้องทำกำลังใจให้เต็มคือจิตของเราพร้อมในการให้ทานพร้อมในการทรงสินพร้อมในการกำจัดนิวรน พร้อมในการใช้ปัญญาในทางที่ถูกที่ต้องพร้อมในการที่มีความเพียรปัญฝ่าอุปสรรคพร้อมในการอดกลั้นและอดผลพร้อมจะทรงไว้ถึงสัจจะความจริงที่ตั้งใจไว้พร้อมที่ทรงกําลังใจอย่างไหนไม่ท้อถอยและก็พร้อมในการเม่ตาบรมีเพื่สอสงเคราะเสมอรักเสมอไม่เกลียดไม่เป็นศัตรูกัน พร้อมในการวางเฉยด้วยบริการทั้งปวงและได้ของความชั่วกรว็รวมความว่าบารามีสิบริการนี้ทุกท่านต้องทําให้ครบถ้วนทุกอย่างเแล้วนี่มาว่ากระเพงสันโยต์ที่เราจะต้องละก็ได้แก่หนึ่งส ก, กายทิฏฐิที่มีความเห็นว่าร่างกายของเราจะไม่ตายด้วยร่างกายของเราเต็มบริวความสะอาด เราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอย่า น, น, นิุตตนอารมณ์นี้้องละในบริการที่สองความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า <c oughs> สามการไม่ปฏิบัติสิงจริงจังรูปคำสินเที่วสักได้ว่าส ม, มาทาน นก็สี่กามฉันทะความพอใจในกามคุณห้าปฏิฆะอารมณ์ที่มีความหงุดหงิดไม่ชอบใจอยู่เสมอหกครูปราคะการหลงไหลไฝ่ฝันในรูปฌานเกินไปเจ็ดอรูปราคะการ่ถงทงหลงไหลไฝ่ฝันในอรูปฌานเกินไปแปดมาณะการถือตัวทิฏตน เก้าอุทจจะลอยรมฟรุ้งซ่านไม่สรงใจไว้ตามปกติที่ต้องการคือจิตใจไม่เป็นเอกาตารมสิบอวิชาคือความคิดพลาดทั้งหมดนี้องค์สมเด็จพระรมโลก่ากล่าวว่าถ้าทำลายได้ตัดออกจากใจได้เราก็จะถึงมิผ่านตอนนี้ขอไม่ธิบาย แต่ตอนนี้ก็เป็นตอนที่เราเข้าถึงการปฏิบัติเพื่อมักเพื่อผลถ้าก็มีใครก็ถามว่าการปฏิบัติของท่านทุกคนมีมักผลสมบูรณ์แบบแล้วหรือนั่นก็หมายความว่าท่านเป็นบริโภานาสีธาคานาคาอรหันต์แล้วหรือก็ต้องตอบว่าเวลานี้ยังศึกษาอยู่ จะได้หรือไม่ได้จะถึงหรือไม่ถึงไม่สำคัญเป็นอันว่าเราพยายามทำเพื่อความดีของเราเท่านั้นพอแล้วก็จงอย่ามีการท้อถอยคิดว่ามรรคผลนิพพานจะไม่มีสำหรับเราเพราะว่าสมเด็จพระสัมมาทัตวเดชเจ้าทรงตรัสว่าการบำเพ็ญบารมีเนะี่ยต้องใช้เวลามาก แม้แต่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าเองก็ต้องใช้เวลาทั้งสี่สงไขกระสายกลั บ, บท่านพระอาเกลสาวกทั้งสองต้องใช้เวลาทั้งสองสงไขกระแสงกลับบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งหมดที่เป็นพระหรหันต้องใช้เวลาทั้งหนึ่งสงไขกระแสงกลับสำหรับเราถ้าไม่ได้ชาตินี้ชาติหน้าก็ได้ อย่างน้อยที่สุดเราก็เป็นผู้มีความดีตามสมควรตามกำลังอันนี้ควรจะไวที่หน้าภูมิใจก่อนที่ท่านจะปฏิบัติอะไรทั้งหมดขอเอาให้นำเอาความดีที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตได้บรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณทำมาใช้เป็นประจำใจ คือต้องใช้เป็นประจำจริงๆนะครับลืมตาขึ้นมามีความรู้สึกตามนั้นถ้าทำได้อย่างนี้ทุกท่านความหวังของทุกท่านมีผลแน่นอนสิ่งที่องค์สมเด็จพระจินนวรได้บรรลุอวิเศษสามาัิโพธิญาณก็คืออริยสัจอริยสัจนี่มีสี่อย่างข้อที่หนึ่งาเรียกว่าทุก ข้อทีสองเรียกว่าสมุทยัยข้อทีสามเรียกว่านิโรธาหรือนิโรธข้อทีสี่เรียกว่ามัดอรยรยสัตว์ที่ไรจะเข้าต้องเข้าถึงกันจริงๆก็คือทุกข์อันดับแรกต้องใช้ปัญญาบารมีบารมีสิบที่เรามีไว้เนี่ยต้องใช้ปัญญาบารมีเข้าช่วย เพราว่าถ้าหากว่าเราไม่ใช่บา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีเข้าช่วยเราก็จะไม่เห็นทุกข์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความทุกข์มีจริงแต่บุคคลทั้งชายทั้งหญิงทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงสัมเวณีที่เห็นทุกข์มีน้อยเต็มทีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเกิดมาแล้วมันชินในทุกข์ คำว่าทุกนี่แปลว่าจำจะต้องทนสิ่งไรที่ว่าตามที่เราต้องทนสิ่งนั้นด้กว่าทุกรายการแรกความหิวความหิวแปล ก, การเสียดแทงอย่างยิ่งเมื่อความหิวขึ้นมาก็มีอารมณ์ฝืนคือจิตมีสุขที่หิวขึ้นมาเมื่อไร่ความทุกข์มาเกิดความต้องการมีขึ้น ถ้าเราไม่ได้กินอาหารตามความต้องการความทุกข์กระสับระสายอาการเสียแทงจะปรากฏตลอดเวลาดัางนั้นท่านหลายจงทราบว่าความหิวนี่มันเป็นทุกข์ในเมื่อความหิวเป็นทุกข์เราที่จะพยายามกาจัดทุกข์ให้หมดไปหรือว่าทำทุกข์ให้สลายตัวเราจะทำยังไง เราก็ต้องกินอาการที่เรากินเนี่ยเรากินซะจนกินจะไม่รู้สึกว่ากินเป็นทุกข์ขณะที่เรากินมันก็มีทุกข์เราจะกินอะไรร่างกายต้องการอาหารประเภทไหนจิตใจอยากจะได้รสประเภทไหนถ้าสิ่งนั้นไม่มีตามความประสงค์อารมณ์ใจก็ไม่สบาย ในเมื่อไม่มีอาหารอย่างนั้นตสนองตามความต้องการมันมีอาหารอีกอย่างหนึ่งกินอิ่มเหมือนกันแต่ไม่ชอบใจเรากำลังใจที่เรากินเข้าไปกำลังใจมันก็เป็นทุกข์แล้วความอยากบังคับใป้ทุกข์ก็คิดว่าถ้าเรากินอย่างนั้นกินอย่างนี้มันจะดีกว่านี้ และการกินวันนั้นก็ต้องกินไปอย่างการอาการแรงใช้คือจำใจกินนี่อาการของความทุกข์ที น, นี้จะพูดต่อไปก่อนที่เราจะได้กินอาหารทุกประเภทที่เราจะมีบริโภคขอท่านทั้นหลายโปรดทราบว่าเราได้มาด้วยความสุขด้วยความทุกข์ ถ้าเป็นข้าราชการถ้าเป็นลูกจ้างก็อย่างดีมากทั้งนี้พราะอะไรเพราะได้เงินแนี่ยนอนตามเวลาถ้าเราเป็นคนไม่เลวข้าราชการหนึ่งเดือนเขาจ่ายลูกจ้างบางรายเขาจ่ายไปจําวันบางรายเจ็ดวันจ่ายครั้งหนึ่งบางรายครึ่งเดือนจ่ายครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็มี ขณะใดที่เรารับเงินเดือนรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติขณะนั้นกำลังใจของเราเป็นสุขเพราะว่ามีผลแน่นอนตามที่เราต้องการถ้าเว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านลองใช้ปัญญาคิดสักนิดหนึ่งว่าก่อนที่เราจะได้รับเงินรับทองได้รับค่าจ้าง่ะ เราทำงานมาด้วยความสุขด้วยความทุกข์เวลาเช้าแทนที่จะมีเวลาพักผ่อนต้องออกจากบ้านแต่เชา้าการออกเดินทางไปจากบ้านเป็นอาการของความสุขด้วยความทุกข์ต้องมีความเหน็ดเหนื่อยนั่งบเบียดเสียดเย็ดเย็ดไปในรถประจําทางการอย่างนั้นเป็นอาการเคร่งเครียด มันก็เป็นอาการของความทุกข์และหากว่าเรานั่งรถประจาทางไปเราจะไปได้ฟรีๆเห็นจะเป็นไปไม่ได้เราจะต้องจ่ายเงินเงินที่เราได้มานั้นได้มาด้วยความสุขด้วอความทุกข์เราได้มาหวังจะบรรลุความสุขแต่ถ้าว่าเราก็ต้องทุกข์เพราะจ่ายไปอีก สำหรับท่านที่ไม่ใช่ขา้าราชการไม่ใช่ลุกกางมีรายได้ที่ไม่แน่นอนต้องคุ้นคิดอยู่เสมอว่าวันนี้ได้แล้ววันนี้จะได้หรือไม่เรามีรายจ่ายเท่าไหร่เรามีรายรับเท่าไหร่ถ้ารายรับกับรายจ่ายมันไม่สมดุลกันเราก็เป็นทุกข์หนักถ้ามีรายรับรายจ่ายสมดุลกันเราก็ทุกข์เพราะการหา ก็รวมความว่าสิ่งที่เราจะทรงชีวิตอยู่ได้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทั้งหมดที่จะว่ากันถึงความทุกข์จริงๆคนเราที่เดินไปเดินมาต้องแสวงหามรรคผลไปจ่ายจตลาดเพื่อ น, นำบริบริโภคบ้างไปทํางานเพื่อหวังจะได้ทรัพย์สมบัติมาบ้างได้เงินทองมาบ้าง อาการทั้งหมดนี้เป็นอาการของความทุกข์ก็เห็นจะไม่บอกกันต้องไม่ต้องบอกรายละเอียดนะเพราะคนมีปัญญาอันนี้ทุกข์อนอกจากนี้มันยังมีอยู่อีกที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปิยตชายติโสโกปิยตชายติเพ ย, ยังพระพุทธเจ้าบอกกล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเป็นเหตุถึงความทุกข์ เรื่องความรักก็เกิดมาจากความทุกข์ที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์ที่ไหนมีความเศร้าโศกเสียใจยที่นั่นมีทุกข์หากว่าท่านพุทธบริษัทจะลองคิดสักนิดหนึ่งเอาเจะเพราะทุกในการแสวงหาคู่ครองแค่คนจานวนมาก ที่เราไม่ประสงค์เราไม่มีความรักเราไม่มีปลาความปรารถนาในการเป็นคู่ครองเขาจะไปไหนเขาจะมาไหนเขาจะอยู่เป็นสุขหรืออยู่เป็นทุกข์จะมีกินมากมีกินน้อยยังไงยังไงเราก็ไม่เคยสนใจเราไม่เคยเอาจิตก็ไปสัมผัสเราไม่เคยโง่ใหญ่แต่ถ้ว่าถ้าความรักมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ กำลังใจก็เริ่มเป็นทุกข์เป็นทุกข์อันดับแรกว่าเรารักเขานี่เขาจะรักเราหรือเปล่ามันก็เริ่มทุกข์แล้วต่อมาถ้าตกลงกันได้ในระหว่างความรักความทุกข์ก็ยังมีขึ้นอีกว่าความรักที่เรามีกันนั้นจะสมหวังไหมและยังต่อไปที่จะต้องทุกข์คือความระแวงสงสัยซึ่งอะไรกันย่อมเกิดมีขึ้น ถ้าคนรักของเราไปคุยกับใครซึ่งเป็นไม่เพศตรงข้ามคนรักของเราต้องเที่ยวเดินไปกับใครซึ่งเป็นเพศตรงข้ามคนรักของเราไปนอนค้างที่ไหนกับเพศกับเพศตรงข้ามกําลังใจเราก็เริ่มเป็นทุกข์ที่ต้องฆ่ากันตายทุกเลยไปเพราะเหตุนี้เป็นสำคัญ นี่ว่าการนึงทุกข์ไปนอกถ้าเราใช้ปัญญากันจริงๆเราจะเห็นว่าคนทั้งโลกไม่มีใครเป็นสุให้ที่ทุกอย่างนี้มันมาจากไหนบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายและพิสุทธิสมณีทุกอย่างนี้จริงๆมันมาจากกายและกายมาจากไหนกายมาจากความเกิด เราไม่เกิดมาเป็นคนที่ย่างความจริงเกิดเป็นสัตว์ก็ทุกข์แต่นิสภาวะความเกิดเป็นสัตว์เราก็ไม่ทราบชัดนะักเราก็ไม่คิดอย่างคนๆที่เกิดมาแล้วมันทุกข์ไปหมดตอนนี้มาว่ากันถึงตัวเราโดยเฉพาะทุกข์จริงๆมันอยู่ที่ตัวเรา นับตั้งแต่วันเกิดมาเอเคราะจากครอจากคันมานดาเนะเราเคยมีความสุขจริงๆบ้างไม้มนั่งนึกดูถ้าย้อนรอยถอยหลังก็ไปที่ว่าการที่อยู่ในคันมานดานีเรามีความสุขด้วยความทุกข์สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ในการอยู่เวลาที่อยู่ในคันมานดาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาจจะจาไม่ได้ แต่ก็ไม่เป็นไรถ้าจำไม่ได้อตมายัางนึกออกว่าการเข้าสู่คันมันดาในความจริงในระยะแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นคันมันดาลองถอยหลังด้วยกำลังคนชาตที่เรียกว่าอาตีตังทยาน อาติต่างเทียนของเรานี่บรรดาแานพุทธบริษัทผู้รับฟังในวัดนี้ถือว่าทุกคนได้หมดแล้วเาะครูบาอาจารย์ฝึกให้หมดก่อนที่จะเข้ามาบวชเนี่ยเขาก็บังคับต้องถือว่าเป็นเกณฑ์บังคับให้ปฏิบัติให้ได้มโนยิธิ และเขาก็แนะนำในเรื่องยาน8ปดประการคือหนึ่งทิพยภิยานสองจุตูปปาติยานสามเจตตปิยานสี่ปุเพริวาสานุสติยานห้าอติตังสียานหกอนาคตังสียานเจ็ดปัจจุปนังสิยานและแปดเถากมุตายาน ญาณทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ทุกคนก่อนที่จะบวชยืนยันว่าได้แน่นอนแล้วเมื่อยืนยันว่าได้แน่นอนแล้วเขาจึงให้บวชแต่ถ้าบวชเข้ามาแล้วทลืมใช้แล้วสลายตัวไปก็ไปที่หน้าเสียใจที่ทุกคนจะต้องเป็นเหยื่อของอบายภูมิ เรวมความมาถือว่าทุกท่านใดแล้วก็ลองลองใช้อาตีต่างสียาไม่ใช่ปุเพนิวาสานุปติญาณปุเพนิวาสานุปติญาณนี่เป็นการระลึกชาติชาติที่แล้วมาแต่อาตีตางสญยาเนี่เป็นการลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในขณะที่เราจดติมาจากจุดใดจุดหนึ่ง หวังว่าทุกคนฟังแล้วคุณจะรู้สึกตัวแล้วรู้ตัวแล้วว่าก่อนจะเกิดท่านมาจากไหนอันนี้ก็ควรจะถอยหลังไปอีกนิดนึงว่าก่อนจะเกิดเนี่ยท่านตั้งใจมาเพื่ออะไรจะปฏิบัติอะไรจะทําอะไรให้ได้ความตั้งใจเดิมของท่านมียังไงถอยหลังเข้าไปคนจะรู้ หลังจากมาตัดสินใจหมดวาระในการเป็นคนเป็นเทวดาด้วพรหมที่ตั้งลงมาเกิดขณะที่เข้านในคันมานดาเนี่ยเรามีความรู้สึกไหมว่าที่นี่คือคันมานดาเนื้อแท้จริงๆเราไม่มีความรู้สึกตามนั้นตัดสินใจว่าจะมาเกิดที่ตรงนั้นแหละ แต่เวลาเข้าไปอยู่จริงๆไม่รู้สึกว่าเป็นคันมารดาถ้ารู้สึกว่าเป็นคันมารดาจริงๆนี่ก็ทนไม่ไหวเพราะว่าอะไรในในช่วงแห่งมดลูกที่เราเข้าไปอาศัยอยู่มันเต็มไปด้วยความสุขกระปรกโศกโรคมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มไปหมดในช่วงในช่วงทองของมัรดา แต่ที่เรานอนอยู่บนเบาะเบาะนั่นก็คือเป็นเบาะที่เต็มไปได้วยเลือดมีผิวบางๆมีความนุ่มที่เรียกว่ารับรองไข่ถ้ายังไม่มีเด็กเกิดไม่มีไข่เป็นเครื่องรองรับเนเครื่องไม่มีไข่เป็นเครื่องวางบนนั้นเพราะถึงปลายเดือนเบาะตัวนั้นก็จะสลายตัวแตกออก เลือดก็จะหลั่งไหลออกมาที่เรียกกันว่าประจำเดือนหรือฤ ด, ด, ดูข้อมาดรดาแล้วก็ลองหลับตาคิดถึงอดีตที่ผ่านมาว่าการเข้าไปนอนในนั้นเรานอนจมอยู่ในกองเลือดนล้ว น, นอนอยู่ในท้องข้อมารดาในท้องข้อมารดานั้นมันมีอะไรบ้างลองคิดดู และความรู้สึกในเวลานั้นความรู้สึกในเวลานั้นจริงๆอารมณ์เดิมยังทรงอยู่มากถ้าเราเป็นเทวดาถเป็นกรมมาเราจะมีความรู้สึกในสภาวะเดิมอารมณ์ยังมีความสุขยังเห็นเพื่อนเก่าๆแต่พรร่างกายมาันโตของเรามันโตขึ้นมาทีละน้อยดีละน้อย ต่อมารังมดโรคของมารดามันจะเริ่มเล็กด้วยความจริงรังมดโรคไม่เล็กแต่ตัวเรามาันโตขึามาเกินสถานที่จะเหยียดมือจะเหยียดเท้าก็ไม่ได้ต้องชันเข่าคุดคู่คมือก็ต้องงอจะเหยียดมือเหยียดเท้าไม่ได้ไอาการอย่างนี้ต้องทนทรมานมาเป็นเดือน ท่านนั้นหลก็ลองวิจรารณาดูว่าการต้องทนแบบนั้นมันเป็นอาการของความสุขและความทุกข์ถ้าท่านคิดด้วยปัญญาไม่ออกท่านก็ลงนั่งชันเขา่าเอามือรัดเข่าเข้าไว้แลื้อมือวางเชียงเข่าเขาไว้ให้ไม่ขยับเนื้อไม่ขยบตัวไม่ไปไหนลองทำอยู่แค่สักสองสามชมั่วโมง ไม่ต้องเป็นวันไม่ต้องเป็นเดือนอาการนั้นเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์หากว่าท่านมีสติไม่เผลอเกินไปท่านก็จะทราบว่านั่นคืออาการของความทุกข์แน่นอนอนี่ระบรรดาท่านสาวกคุโองสมเด็จปจินวัลที่เป็นบิสุสมันโนนุ ม, า ส, มาสุกุมาริกา เึ่งทุกท่านได้นามว่าพระโยคาวาจรคือเป็นผู้มีความประพฤตในด้านของความดีหวามมาังมั่งคุณยศว่าองค์สมเด็จพระทศพลแนะนำให้เรารู้จักความทุกข์ที่ความทุกประเภทนี้ปัญญ า, าของเรามีอยู่แล้ว แปล ว, ว่าปัญหามีว่าเราจะใช้ปัญญาของเราให้เป็นประโยชน์ไหมเรายังจะมัวเมาอยู่ในร่างกายคิดว่าร่างกายเป็นสุขคิดว่าร่างกายมันดีอย่างนั้นหรือถ้าคิดอย่างนี้เราก็ยังเป็นเหยี้ยของวัตถะคือเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัตถะจนตลอดเวลาแล้วสิ่งที่เราจะรับสนองผลที่รับรับเข้ามานั่นก็คือความทุกข์ เราจะไม่พบกับความสุขตลอดการที่ทรงชีวิตอ ย, ยู่ระบรรดาท่านสาวกององสมเด็จพระบรมครูเวลานี้ปรากฏว่าหมดเวลาเส็จแล้วก็ต้องหยุดก่อนคอยเวลาต่อไปในวันข้างหน้าสำหรับวันนี้ขอลาก่ อ, อความสุขสวัสดิีพัฒนามงคลสมบูรณ์ปนผลน ยงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี